ยลานพรท่านผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่กทานวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30สในสายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นนักปราชญ์เหนือนักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวูนั้นมีกันคือความรู้ที่เหนือกว่าความรู้ทั้งปวงความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะมี มากน้อยเพียงไรไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ไม่สู้ความรู้ของพระพุทธเจ้าของพระอราิยสมสาวโลกไม่ได้เพราะความรู้ต่างๆทางโลกนี้เป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดพ้นจากความทุกข์ต่างๆต่อให้ได้เรียนจบปริญญาเอง ก็ยังต้องมีความทุกใจอยู่แต่ผู้ใดถ้าได้ศึกษาความรู้จากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระอริยสงสารุกกดีจะได้ความรู้ที่ทำให้หลุดพ้นรอดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมีอยู่ในพระพุทธศาสนานี้เพียงแห่งเดียว แหล่งความรู้แหล่งอื่นยังไม่มีความรู้ที่จะนำาพาผู้ศึกษาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้การที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นโชคอันมหาศาลที่นานๆจะเกิดขึ้นได้สักครั้งหนึ่งพอ การเกิดของพระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งการที่พวกเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเกิดได้ทุกภพทุกชาติหลังจากที่เราตายไปแล้วเรายังมีบุญมีบาปที่เรายังจะต้องไปรับผลบุญผลบาปอยู่กว่าที่เรา จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเวรเอกเวลาอันยาวนานและกลับมาแล้วไม่ทราบว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอีกหรือไม่เพราะพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์นี้พระ อ, องค์ได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าจะมีอายุอยู่ได้ไม่เกินห้าปันปีเรากลับมาคราวหน้า อาจจะเลยเวลาห้าพันปีของพระพุทธศาสนาไปก็ได้ถ้าเรามากับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่ได้พบกับแหล่งความรู้ที่จะสอนให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะสอนให้เราไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ดังนั้นชาตินี้เป็นจังหวะเป็นโอกาสที่ดีมากที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งที่จะทำให้เรามีโอกาสได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทุกรูปแบบได้หลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากกันอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ความทุกข์ที่เราได้รับในแต่ละพบแต่ละชาติที่เราต้องร้องผมร้องไห้หลั่งน้ำตาอันนี้ถ้าเราเอามารวมกันแล้วมันมีมากกว่าน้าในมหาสมุทรซี่นี่คือจำนวนพบชาติที่เรามาเกิดมาร้องผมร้องไห้น้ำตาที่เราหลั่งนี้เมื่อมารวมกันแล้วจะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทร ทำไมเราจึงต้องเวียนไหวตายเกิดแล้วก็มาร้องหย่ร้องไห้ก็เพราะว่าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาหรือว่าถ้าได้พบก็ไม่สามารถศึกษาและปฏิบัติตามได้ก็เลยยังไม่สามารถที่จะยุติการเวียนไหวตายเกิดได้แต่สำหรับผู้ที่พบและสามารถศึกษา และสามารถนำมาไปปฏิบัติได้ก็จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ยุติการหลั่งน้ำตาอย่างไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นได้ท่านเหล่านั้นก็คือพระอราลยสงสาวกทั้งหลายที่อาศัยความรู้ของพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นครั้งนี้ชาตินี้เป็นชาติที่วิเศษสำหรับพวกเรา ที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งถ้าพวกเราไม่ขวนขวายไม่รีบตักตวงความรู้ของพระพุทธศาสนาแล้วนำเอาไปปฏิบัติต่อไปเวลาที่เราตายไปเราก็จะหมดโอกาสดังนั้นขอให้เราเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา ท่านเปรียบเหมือนกับเป็นรัตนะเป็นเพชรเป็นพลอยพวกเราอย่าเป็นพวกไก่ที่ได้พลอยไก่นี่เวลาเขาขุดคุ้ยหาอาหารเขาจะหาตัวหนอนตัวไส้เดือนเวลาเขาไปเจอเพชรเจอพลอยเขาไม่เห็นคุณค่าของเพชรของพลอยเขาก็จะเขียเข่ยทิ้งเขี่ยทิ้งถ้าเขารู้ว่า เพชรพลอยนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าไส้เดือนที่เขากําลังหาอยู่ถ้าเขาเก็บไว้แล้วเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองไปซื้อไส้เดือนเขาก็จะมีไส้เดือนกินไปตลอดชีวิตโดยที่ไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยกับการขุดคุย้ยหาไส้เดือนอยู่ทุกวันพวกเราก็เหมือนกันพวกเรายังไม่รู้คุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสง ว่าเป็นเพชรเป็นพลอยพวกเรากลับไปเห็นเศษขยะเป็นเพชรเป็นพลอยเศษขยะที่จะทําให้เราทุกข์ที่จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจเรากลับไปเห็นว่าเป็นเพชรเป็นพลอยส่วนเพชรพลอยที่จะให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดอนันตการ เรากับไม่เห็นว่าเป็นของมีค่ากับเคลีย์เทีิ้งเคลีย์ทิ้งสิ่งใดที่เราเห็นว่าเป็นของมีค่าแต่ความจริงแล้วเป็นเหมือนเศษขยะก็สิ่งที่พวกเรากำลังหากันอยู่ในขณะนี้พวกเรากาลังหาอะไรกันอยู่เรากาลังหาลาบยศสรรเสริญกำลังหาความสุขทางตาหูจมูกล่้นกาย โดยที่ไม่รู้ว่าลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะพ้นพิษใส่เราในวันใดวันหนึ่งจะต้องทำให้เราหลั่งน้ำตาจะต้องทำให้เราเศร้าโศกเสียใจจะต้องทำให้เราทุกข์กันเพราะเรามองไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของลาบยศสรรเสริญ ของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเพราะเราคิดว่าเราจะมีสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นแต่สักวันหนึ่งเราจะต้องพบกับการพัดผ่าจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปหมดเราอาจจะพัดผ่าโดยที่เรายังไม่ตาย คือลาบยศสรรเสริญความสุขที่เราหามาได้อาจจะอันตรธานหายไปก็ได้ยกตัวอย่างถ้าเราดูบ้านเมืองที่เขากำลังมีสงครามกลางเมืองกันมีการต่อสู้กันมีการฆ่าฟันกันมีการทำลายล้างกันพวกนี้เมื่อก่อนเขาก็มีความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่พอเกิดสงครามลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสที่เขาได้รับความสุขก็อันตรธานหายไปเขาต้องอยู่แบบผู้ลี้ภัยอยู่แบบไม่มีบ้านไม่มีช่องไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีอะไรอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเกิดขึ้นกับสัตว์โลก ลือมนุษย์ที่มาเกิดในโลกนี้ทุกคนเพราะถ้าไม่มีเหตุการณ์ทางภายนอกมาทำให้เราสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราม่อยู่มันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราร่างกายของเราไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันตายไปเมื่อร่างกายตายไปราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ที่เราหามาได้แทบเป็นททบตายก็จะต้องหมดไปแล้วเราก็จะต้องทุกข์ทรมานใจกันเพราะเราไปหลงเห็นกองทุกข์ว่าเป็นกองสุขกันเห็นกองขยะว่าเป็นกองเพชรกองพลอยกันเราก็เลยต้องมาล่องม่มล่องห้ามาเศร้าโศกเสียใจมาทุกข์ทรมานใจเวลาที่ ลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกิ้นกายนั้นเสื่อมไปหมดไปส่วนเพชรพลอยของพระรัตนไตรของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นเพชรพลอ ย, ยที่แท้จริงที่จะให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงและจะไม่ให้มีวันหมดไปจากเราเพราะว่า มันเป็นของที่จะอยู่คู่ไปกับเราเราก็คือใจเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงคนรับใช้เราที่เราใช้ให้ไปทําอะไรต่างๆให้กับเราแต่ร่างกายของเรานี้มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นจะมันจะมีวันแก่วันเจ็บและวันตายไป แต่ตัวเรารู้ใจของเรานี่ไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายและเพชรพลอยที่เราหาได้จากพระพูดพระธรรมพระสงฆ์ก็จะอยู่ในใจของพวกเราเวลาร่างกายตายไปเพชรพลอยที่ให้ความสุขกับใจนี้ไม่ได้สูญหายไปเวลาร่างกายไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นลดได้ใจยังสามารถหาความสุขจากพระรัตนใจได้หาความสุขจากการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้คําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราปฏิบัตินี้เป็นคําสอนที่จะทําให้เรามีความสุขภายในใจเป็นความสุขที่ไม่เลือน หายไปจากไปจากเหตุการณ์ต่างๆทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกนิ้นกายนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันไม่รู้ว่าเรามีความสามารถที่จะหาความสุขที่แท้จริงที่ถาวรได้เราจึงต้องไปหาความสุข ชั่วคราวกันแล้วเราก็ต้องมาร้องหย่ร้องอ้ายเศร้าโศกเสียใจกันเวลาเกิดการพลาดพลากจากกันแต่ถ้าเราได้เข้าวัดอยู่เรื่อยๆได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเราก็จะรู้จักวิธีสร้างความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอน ความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับลาบยศสระเริญเกิดขึ้นกับตาหูจมูกลิ้นกายของพวกเรามันจะไม่สามารถที่จะทำให้ความสุขที่เราได้รับจากพระรัตนตรัยนี้หายไปเลย mm. เราจึงควรเข้าหาพระรัตนตรยัยเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อย ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เข้าหากันวันพระนี่แหละเป็นวันที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรายุติการหาความสุขชั่วคราวทางลาบยศสารเสริญทางตาหูจมูกริมกายแล้วให้เรามาวัดกันหนึ่งวันมาวัดเพื่อเราที่จะได้มาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอน แล้วพอเรารู้ว่าเราจะท่องทำอะไรจากคำสอนเราก็ปฏิบัติตามถ้าเราเข้าวัดบ่อยๆเราจะรู้เราจะได้ยินว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เรากระทำนี้มีอยู่สามหัวข้อใหญ่ๆคือหนึ่งให้ละา ก, การกระทำบาปทั้งปวงสองให้สร้างกุศลบุญให้ถึงพร้อมสาม ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะนี่คือวิธีการสร้างความสุขกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจการละการกระทําบาปทั้งปวงก็เพื่อที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราที่เกิดจากการกระทําบาปนี้เอง การกระทำบาปนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราร้อนเราต้องกำจัดมันถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์เวลาที่เราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดดื่มสุรายาเมาเรากําลังสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจของเราถ้าเราไม่ทําบาป ถ้าเราไม่ค่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาไม่เที่ยวกลางคืนไม่เล่นการพนันไม่คบคนชั่วเป็นวิตรไม่มีความเกียดแค้เราก็จะไม่มีความทุกข์จากการกระทำของสิ่งต่างๆเหล่านี้การกระทำเหล่านี้เป็นการกระทำที่จะสร้างความทุกข์ให้กับใจ พระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์แล้วด้วยพระองค์เองทรงรู้ว่าการกระทำเหล่านี้จะทำให้เราไม่สบายใจกันทำให้เราทุกข์ใจกันถ้าเราต้องการความสบายใจความไม่ทุกข์ใจเราก็ต้องละ ก, การกระทาบาปทั้งปวง น, นี่เป็นข้อที่หนึ่งที่จะทำให้ใจเรามีความสบายด้วยการทำลายความทุกข์ความร้อนใจต่าง ให้หมดไปจากใจประการที่สองให้เราสร้างบุญสร้างกุศลให้ถึงพร้อมความดีงามต่างๆที่เราควรจะทำกันขอให้เราทำกันความดีคืออะไรก็คือการกระทำที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะะกับตัวเราอย่างมานีญาติโยมมาทำความดีมาทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นและทำประโยชน์ให้กับ ตัวตัวญาติโยมเองผู้อื่นก็คือผู้ที่รับสิ่งต่างๆที่ท่านนำามามาถวายคือพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็จะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากอาหารของกลวของหวานของเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆและรับค่าใช้ใจ่ายในการดูแลวัดวาอารามจ่ายค่าน้ำค่าไฟ ถ้าญาติโยมไม่ได้มาทำความดีอย่างนี้ทางยะพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็จะเดือดร้อนเท่ากท่านก็จะลาบากและอาจจะทำให้ท่านไม่สามารถอยู่ในเพศของสัมมณะเพศได้เพราะจะต้องไปทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่วันนี้ญาติโยมมีความปาถนาดีมีความเมตตา มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราทำความดีให้เราทำบุญทำกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมพอเรามาทำเราก็จะได้รับความสุขกลับไปเวลาเราให้ความสุขกับผู้อื่นความสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นแม้ว่าจะเป็น เป็นนักบวชก็ดีหรือเป็นผู้ครองเรือนก็ดีหรือแม้แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีทำไปแล้วก็จะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาไม่ไม่สำคัญว่าจะเป็นพระเพียงอย่างเดียวความสุขใจหรือบุญนี้เกิดได้แม้แต่การสงเคราะห์สัตว์เดรัจฉานเราให้อาหารสัตว์เดรัจฉานให้สุนัขให้แมว ให้แล้วเราก็จะมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจสบายใจความสุขใจอิ่มใจนี้จะอยู่กับใจเราไปเรื่อยๆถ้าเราทำไปเรื่อยๆมีโอกาสมีเงินมีทองเหนือกินเหลือใช้แทนที่จะเอาไปใช้ในสิ่งที่เป็นโทษแก่จิตใจก็ให้เอามาใช้ให้เกิดคุณกับจิตใจและเกิดคุณเกิดประโยชน์กับ เพื่อนร่วมโลกจะดีกว่าเงินที่อาไปใช้แล้วเกิดโทษคือใช้อย่างไรก็ใช้ตามความอยากใช้ตามความโลภนี่เองการใช้เงินตามความโลภนี้จะเป็นการสร้างความโลภสร้างความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นแล้วความโลภความอยากนี้เป็นตัวที่จะสร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่ใจของเรา เวลาเกิดความโลภเกิดความอยากนี่เราจะอยู่เฉยๆไม่เป็นสุขอยู่ไม่เป็นสุขจะต้องไปทําตามที่เราอยากได้ก่อนเราถึงจะมีความสุขแต่เป็นความสุขเดียวเดียวเดี๋ยวพอความโลภใหม่เกิดขึ้นมาอีกเราก็ไม่สามารถอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้เราก็ต้องไปทําตามความอยากอีก แล้วถ้าเราไม่สามารถทำตามความอยากได้หรือไม่สามารถได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็จะต้องทุกข์อีกเ <Yeah. S 1> พราะพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าความอยากความโลภนี่แหละที่เป็นตัวที่ทำให้เราต้องทุกข์กันอยู่เรื่อยๆต้องทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆพระองค์จึงสอนให้พวกเรามาชำระความโลภ ความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเพราะถ้าเรากำจัดความโลภความอยากได้เราก็จะไม่มีผู้ที่มาสร้างความทุกข์ไม่มีผู้ที่จะพาเราไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนั่นเองความโลภความอยากนี้ถ้าเปรียบเทียบกับร่างกายก็เป็นเหมือนเชื้อโรคเชื้อโรคถ้ามันเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็จะทำให้ร่างกายทุกข์ ทำให้ร่างกายไม่สบายแต่พอเรากําจัดเชื้อโรคออกจากร่างกายไปได้ด้วยการรับประทานยายาฆ่าเชื้อต่างๆพอเชื้อโรคถูกทำลายไปโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในร่างกายก็จะหายไปความทุกข์ใจของพวกเราส่วนใหญ่นี้เกิดจากความโลภความอยากของเรา เราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราอยากแล้วเราก็มีความรู้สึกไม่สบายใจแล้วถ้าเราไม่สามารถทำตามความอยากได้เราก็ยิ่งเสียใจยิ่งทุกข์ใหญ่ขึ้นไปอีกท่านถึงสอนให้เราชำระใจให้สะอาด กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปวิธีจะกำจัดนี้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติที่เรียกว่าจิตตภาวนาคือการจเจริญความสงบให้กับใ จ, จเจริญสมาธิทำใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบความโลภความอยากก็จะหยุดไปชั่วคราว เวลาที่จิตสงบความโลภความอยากจะหายไปจะทำงานไม่ได้คนที่นั่งสมาธิแล้วจิตสงบนี้จะพบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปทำตามความอยากต่างๆงเป็นความสุขที่จะอยู่กับใจของเราไปเรื่อยเรื่อโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องมีอะไร เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะได้ความสุขจากสิ่งที่เราได้มาเดี๋ยวต่อไปสิ่งที่ได้มาก็จะต้องจากเราไปหรือเราจะต้องจากเขาไปพอมีการพัดภากจากกันความสุขที่ได้สิ่งต่างๆก็จะหายไปความทุกข์ก็จะกลับมาอีกแล้วก็จะทำให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่อีกกลับมาเพื่อหาสิ่งต่างๆหาความสุขต่างๆ จากลาบยศสารเสรญจากรูปเสียงกลิ่นรสผุทธทพะอีกเราก็จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่กำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเราจึงต้องมาฝึกการนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วพอใจสงบเราก็จะหยุดความโลภความอยากได้แล้วเวลาเราออกจากสมาธิมา ถ้าความโลภความอยากโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องใช้ความรู้ที่พุทธเจ้าได้ทรงค้นพบว่าการทำตามความโลภความอยากจะทำให้ความโลภความอยากไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นวิธีที่จะกำจัดความโลภความอยากให้หมดสิ้นไปก็คืออย่าไปทำตามความโลภความอยากพอเราไม่ทำตามความโลภความอยากแล้ว ความโลภความอยากก็จะอ่อนกำลังลงไปตามลำดับแล้วในที่สุดมันก็จะหมดกำลังมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาลบควรใจเราอีกต่อไปอย่างคนที่อยากจะเลิกดื่มสุราเขาก็ต้องเลิกด้วยการไม่ดื่มเวลาเกิดความอยากดื่มสุราเขาก็ต้องฝืนไม่ทำตามความอยากแต่แต่เขามักจะทำกันไม่ได้ เพราะเขาขาดธรรมะที่จะช่วยให้เขาสู้กับความอยากได้สิ่งที่จะช่วยใจให้สู้กับความอยากได้ก็คือการนั่งสมาธินี่เองสมมุติว่าเวลาเราอยากจะเลิกดื่มสุราพอเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ไปนั่งสมาธิแทนไม่ไปทําตามความอยากพอเรานั่งสมาธิใจสงบความอยากก็หายไป ความทรมานใจที่เกิดจากความอยากดื่มสุราก็จะหายไปแล้วครั้งต่อไปความอยากมันก็จะเบาลงไปเรื่อยๆทุกครั้งที่อยากเราก็ทำใจให้สงบพอใจสงบความอยากก็หายไปต่อไปความอยากก็จะไม่มารบกวนใจเราเอีกต่อไปเราก็จะอยู่อย่างสบายความไม่มีความทุกข์นี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริง ความไม่มีความอยากนี่แหละเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับกันและได้อยู่กับความสุขเหล่านี้ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความสุขที่ถาวรที่เราเรียกว่าพระนิพพานพระนิพพานนี้ไม่ใช่สถานที่พระนิพพานนี้คือใจที่ได้รับการชำระความโลภความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจนี่แหละใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้แหละที่เป็นนิพพานและเป็นใจที่ไม่ต้องมามีร่างกายมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปพวกเราทุกคนนี้สามารถที่จะทำใจของพวกเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้สามารถสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับตัวเราได้ เพราะว่าพระพุทธเจ้ากับพระสาวกท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราเมื่อก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสาวกท่านก็เป็นคนมีความโลภความอยากเหมือนกับพวกเราแต่เพียงแต่ว่าท่านมีความฉลาดท่านเห็นโทษของความโลภของความอยากท่านจึงหาวิธีกำจัดมันพอท่านสามารถกำจัดมันได้แล้ว ท่านก็เอาวิธีที่ท่านกําจัดนี้มาสอนพวกเราผู้ที่นําเอาไปปฏิบัติก็สามารถกําจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้กลายเป็นพระอหรหันตสาวกขึ้นมาเป็นจํานวนมากราสาวกทั้งหลายนี้ไม่ได้มาจากสวรรค์ไม่ได้มาจากเทวดาแต่มาจากพวกมนุษย์เดินดินอย่างพวกเราพวกมนุษย์ ที่มีความโลภความอยากอย่างพวกเหล่านี้แต่เขามีความเชื่อมีความศรัทธาและมีความพยายามที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเขาก็เลยสามารถทำให้ใจของเขาหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ความสุขที่ถาวรพวกเราทุกคน สามารถทําได้อยู่ที่ว่าเราอยากจะทําหรือไม่ถ้าเรายังไม่อยากทําขอให้เราศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นศึกษาประวัติของพระอริยสมสาวกให้มากขึ้นศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระสาวกก็ดีให้มากขึ้นแล้วต่อไปเราจะเกิดศรัทธาแล้วเราก็จะเกิดความอยากที่จะปฏิบัติและเมื่อเราเกิด ความอยากและเราปฏิบัติเราก็จะได้รับผลอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของการเข้ามาหาพระพุทธศาสนาเข้ามาหาความรู้ที่จะทำให้เรารักษาตัวเราให้รอดเป็นความรู้ที่ทำให้เรารอดพ้นจากความทุกข์ต่างๆไม่เหมือนกับความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ที่เป็นความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดไม่รอดพ้นจากความทุกข์จึงขอให้ท่านหมั่นเข้าหาพระพุทธศาสนาอยู่เรื่อยๆหมั่นศึกษาหมั่นปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วความปรารถนาความอยากจะปฏิบัติจะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับและจะทาให้เราสามารถบรรลุ ถ, ถึงเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าและพระ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 ด้วยอายุวันาสุขภ า, าระโดยทั่วหน้ากันเธอ